แล้วก็เพื่อนธรร ม, มทุกท่านจะเดินในธรรมไม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนนะตั้งใจฟังแล้วกันนะได้นะยินได้ยินไม่ค่อยชั ด, ชดนะก็อาศัยความตั้งใจนะสมัยพุทธกาลสมัยก่อนก็ดีนะนะเครื่องขยายเสียงก็คงไม่ค่อยมีนะไม่มีแหละนะก็ต้องอาศัยความตั้งใ จ, งใจนะ นะพระพุทธเจ้านะไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เหมืองราชคึกนะมีผู้มาฟังธรรมสิบสองนรุษนะสิบสองนรุษนี้เท่าไรหนึ่งแสนสองหมืนคนมีผู้มาฟังธรรมพร้อมกันครั้งหนึ่งหนึ่งแสนสองหมืนคนพระพุทธเจ้าช่้นตรัสสอนนะมีผู้บรรุธรรม หนึ่งสหนึ่งหมื่นคนนะอีกหนึ่งหมื่นคนนี่นะได้เข้าถึงพระรัตนตัยนะที่เหลือส่วนใหญ่ก็ได้เป็นพระโสดาบันเออเป็นพระโสดาบันนะหนึ่งแสหนึ่งหมืนรูปนะสิบเอ็ดนรุษนะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอีกหนึ่งนรุษนะก็ชื่นชมในพระพาสิของพระพุทธเจ้านะแต่ก็ห่วงนะรึกถึงโอ้ พระพุทเจ้าสอนธรรมดีแต่เกินคิดถึงอยากให้พ่ออยากให้แม่อยากให้ลูกอยากให้เพื่อนมาฟังธรรมด้วยจิตใจก็เลยแบ่งไปสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็ฟังธรรมส่วนหนึ่งก็ไปคิดถึงคนที่เรารักอยากให้มาได้ฟังธรรมด้วยนะนะก็เลยได้เกิดเพียงแค่เป็นเรียกว่านับถือพระพระตันตนไตยเป็นที่พึ่งเท่านั้นนะนะแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นพระอรหันะนะ การตั้งใจฟังต้องตั้งใจดีๆนะปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องตั้งใจดีๆเวลาแม้แมีความคิดในทางที่ดีนะคิดอยากจะให้คนนั้นคนนี้มาฟังทมด้วยมาปฏิบัติธรรมด้วยนะก็เป็นการแบ่งจิตออกไปนะทำให้เราคลาดจากธรรมในปัจจุบันนะเพราะการที่จิตใจตั้งมั่นเรารู้อยู่ในธรรมปัจจุบันนั้น เป็นสิ่งที่สําคัญมากพวกเราต้องระวังบางทีคนตั้งหลายนะเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดนะโดยเฉพาะนะความคิดในทางที่ดีนนะมันเรียกว่ามัน่อรวงมันหลอกล่อเราให้สนุกในการคิดมากมายเลยนะเคิดแผนการดีๆคิดคําพูดดีๆคิดถึงเรื่องดีๆเนะพวกนี้ยเรา ไม่ค่อยอยากจะออกจากมันแต่ถ้าคิดเรื่องความโกรธเรื่องความทุกข์เนี่ยรู้สึกอึดอัดในใจรู้สึกรู้สึกอยากจะหาทางระบายอยากจะหาทางดับให้มันได้นะรู้สึกว่าอันเนี้มันเป็นตัวทุกข์นะคิดว่าอยากจะเอาออกให้มันได้แหละนะแต่พอคิดถึงเรื่องสุขมีความสุขเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยอยากออกนะมันจะมีความคิดอย่างหนึ่งอยากจะยึดไว้ให้นานๆนะ ถ้าความสุขนี่ฉันอยากจะยึดไว้นะให้มันนานๆแม้มันไม่นานก็อยากให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะตอนเนี้แหละเราต้องเป็นต้องรู้ทันแล้วก็ต้องระวังส่วนความทุกข์เกิดขึ้นนี่อยากจะผักไซอยากจะขับไล่อยากจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกพวกเราสังเกตนะไม่ใช่แต่ตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะตลอดเวลาที่เรา เวียนไหวใจเกิดเราก็จะประสบกับอาการทั้งสองส่วนนี่แหละเป็นประจํำนะเกลียดสุขเออเกลียดทุกข์รักสุขนะคนทั้งหลายก็เรียกว่านะเกลียดทุกข์รักสุขกันทั้งนั้นนะแต่เราเกลียดทุกข์รักสุขไม่ค่อยเป็นนะที่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์นะไม่ใช่ให้เกลียดทุกข์นะสอนให้รู้จักทุกข์นะ คำว่ารักสุขนะหรือสแสวงหาความสุขก็ต่างกันนิดหนึ่งนะที่จริงไม่ใช่นิดหนึ่งหรอกก็ต่างกันมากเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจความสุขที่แท้จริงคนส่วนใหญ่เข้าใจความสุขแค่ระดับได้สิ่งของได้วัตถุได้ปัจจัยมาถึงจะคิดว่ามีความสุขหรือว่าสิ่งต่างๆเหนั้นทําให้เกิดเป็นความสุขเช่นเราได้ เงินได้ทองอได้แฟนได้ลูกได้บ้านได้รถนะคิดว่าสิ่งต่างเหล่าเนี้ยมันจะบอกมันจะนํามาสร่งความสุขนะแต่ถ้าเราดูดีๆนะมันใช่หรือเปล่านะมันใช่หรือเปล่าบางครั้งมันเกิดความสุขจริงอยู่นะแต่การแสวงหาตรงนั้นก็เหนื่อยการรักษาสิ่งตรงนั้นมันก็เหนื่อยความสุขตรงนั้น มันก็เหนื่อยเออมันก็เรียกว่ามันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นมีการทำสำรวจนะสำรวจประชาชนประชากรทั่วโลกอะร้อยเจ็ดสิบแปดประเทศนะสำรวจว่าดูซิประเทศไหนมีความสุขมากกว่ากันนะปรากฏว่าประเทศที่มีความสุขนะมากที่สุดนี่เป็นประเทศที่เล็กๆนะเศรษฐกิจไม่เจริญเลยนะ ถ้าบอกชื่อไปบางคนอาจจะไม่รู้จักชื่อได้ซ้ำนะแต่พวกเราเชื่อไหมประเทศอเมริกาที่เราว่ามีวัตถุนิยมมีสิ่งของต่างๆมากมายเป็นมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกของทุกอย่างนันแหละปรากฏว่าอเมริกานี่ได้ลำดับที่ร้อยห้าสิบจากร้อยเจ็ดสิบแปดนะอันนี้คือ เป็นความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขนะอเมริกาเนี่ยได้ร้อยห้าสิบนะประเทศไทยเราได้อันดับที่สามสิบสองนะแต่นั้นก็สมรวจมาสักห้าปีที่แล้วนะไม่รู้อัปเดตตอนนี้มันสักเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่มันจะโผล่พันเลยนะประเทศที่มีเศรษฐกิจหรือว่าการแข่งขันหรือว่ามีวัตถุที่มากมายเนี่ย มันผกผันในว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขน้อยนะตัวเองมีความสุขยากแต่ประเทศที่นะไม่ได้มั่งคั่งทางเศรษฐกิจหรือวัตถุกลับพบว่าตัวเองสามารถมีความสุขได้ง่ายนะมีความสุขได้มากขึ้นนะมันเป็นอะไรที่มันแตกต่างกันหรือถ้าเราลองแค่สำรวจตัวเราเองก็ได้นะตอนเด็กๆ ก, กับตอนเนี้ยตอนไหนมีความสุขมากกว่ากันนะ ตอนเด็กๆที่ไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบอะไรมากมายไม่ต้องคิดอะไรมากนะมันทำให้เราก็รู้สึกมีความสุขง่ายยิ้มง่ายหรือบางทีตอนที่เราไม่ต้องมีภาระในการดูแลอะไรมากเราก็รู้สึกว่ามันสบายมันมีความสุขมากแต่ผู้แบบในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะให้พวกเราไม่มีอะไรนะนะแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะนะมัน แม้จะมีหรือไม่มีนะมันก็มีความสุขอยู่ภายในอยู่แล้วความสุขจากทางธรรมไม่ได้อิงอาศัยที่วัตถุภายนอกมันจะแตกต่างกันนะมันจะแตกต่างกันถ้าเราสามารถค้นพบความสุขภายในจิตใจของเราถ้าเราสามารถมีธรรมะในจิตใจนะมันจะรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในใจของเราเนี่ยแหละไม่ใช่ความสุขอยู่ที่ไหนความสุข บ่อเกิดจริงๆคือในใจของเราใจถ้ามีสติใจถ้ามีสมาธิมันมีความสุขอยู่ภายในตรงนั้นใจที่รู้จักพอตอนนี้เป็นใจที่มีความสุขแล้วเราจะรู้จักพอได้อย่างไรเราจะมีสมาธิได้อย่างไรเราจะมีสติได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นใจที่ไม่ใช่เกิดขึ้นเองนะต้องรู้จักฝึกหัดในทางที่ถูกต้อง ได้ยินหรือเปล่าเนาะได้ยินไหมข้างหลังออออเนาะอ่เออดีไม่เพี้ยนหูดีอาตมาหูว่าใครดีเป็นไดลอออเนะก็ฟังต่อแล้วกันนะฮะไดล่ะจ๊ะ นนะความสุขเนาะปัจจัยความสุขมันอยู่ที่ภายในของเรานะนีออยู่ที่ใจของเราใจที่ต้องรู้จักฝึกต้องรู้จักหัดในทางที่ถูกต้องนะนะไม่ใช่ในทางที่ไม่ถูกต้องการฝึกหัดจิตใจในทางที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะ เ, นนะเพราะว่าถ้าคนทั่วไปแม้อยากจะหวังสุขแม้หวังที่จะพ้นทุกข์แต่ถ้าเดินในทางที่ไม่ถูกต้องนะ มันก็เรียกว่าก็ไม่ได้อย่างสิ่งที่หวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายนี่มันไม่ใช่เป็นไปตามความหวังหรือไม่ได้เป็นตามใจเราอยากนะแต่สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะถ้าเราทำถูกเหตุถ้าเราทำถูกปัจจัยต่างๆแล้วผลก็จ่ปรากฏขึ้นนะไม่ใช่เพราะว่าเราหวังเราอ้อนวอนเราขอร้องเราอยาก มันถึงจะประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นดังนั้นนะทิ่งต่างๆทั้งหลายนี่ที่บอกว่าเป็นไปตามเหตุไปตามปัจจัยนี่มันเป็นกฎของธรรมชาติเราก็เพียงแค่ปฏิบัติให้ถูกตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าเราศึกษาตรงไปตรงนี้แหละนะศึกษาให้เห็นว่าโอ้ที่เราพยายามจะหนีทุกข์เนี่ยที่จริงไม่ใช่เราควรที่จะรู้จักทุกข์สินะควรจะกลับมาศึกษาว่า ความทุกข์เกิดจากอะไรนะความทุกข์ของร่างกายนี่มีสาเหตุปัจจัยเกิดจากอะไรบ้างศึกษาลงไปนะศึกษาลงไปศึกษาในที่นี้ก็คือการค่อยๆกลับมาดูดูกายบ่อยๆดูรูปบ่อยๆดูการเคลื่อนไหวดูการทําอะไรต่างๆในรีบบททั้งสี่หรือรียบทย่อยต่างๆเนี่ยค่อยๆดูไปถ้าเราดูรูปของเรานะจะเห็นเลยนะเห็นไปเรื่อยๆ แม้แต่ตอนนี้นะมัอาจจะยังหนุ่มยังสาวอยู่นะต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาที่จริงความแก่มันมีอยู่ในความสาวความหนุ่มนะความเจ็บก็มีในความที่สบายที่ไม่เป็นโรคภัยโรคภัยแค่เจ็บมันแฝงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแม้แต่ความตายเองก็ดีนะความตายมันก็แฝงอยู่ในความมีชีวิตตัวนี้แหละ มันไม่สามารถแยกกันออกไปได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีความเกิดพระเจ้าท่านบอกว่าการเกิดทุกคราวเนี่ยเป็นทุกข์ร่ำไปถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีทุกข์นี่ไม่มีหรอกเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่าไปมีรูปทุกคราวก็มีความแก่ความเจ็บความตายด่ําไปเช่นเดียวกันค่อยคกลับมาศึกษานน่ะกลับมาดูกลับมาย้ํากลับมาสอน กลับมาเรียกว่าให้มันเกิดความเข้าใจตรงนี้นะถ้าเราค่อยๆเข้าใจตรงนี้นะการยึดมั่นในรูปของเราเนี่ยมันจะน้อยลงไปเลยนะการประดับตกแต่งรูปนะการเรียกว่าอยากให้มันสวยนานๆอยากให้มันสาวนานๆอยากให้มันหนุ่มนานๆอยากให้มันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนานๆเนี่ยมันเป็นความคิดที่ผิดกับธรรมชาตินะผิดกับธรรมชาติแต่เรารักษารูปเพียงเพื่ออะไร เพื่อให้มันดำรงอยู่ได้นะเพื่อประคองมันเท่านั้นไม่ใช่รักษาประดับตกแต่งนะเนี่ยเราค่อยๆศึกษาลงไปที่รูปตรงนี้เราจะเรียกว่าละความยึดมั่นถือมั่นในรูปตรงนี้ไปได้เยอะนะจิตใจก็เช่นเดียวกันนะจิตใจเราก็ต้องกลับมาศึกษาจิตใจให้มันเช่นเดียวกันจิตใจมันมีทุกข์ไหมนะทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรคนส่วนใหญ่เข้าใจนะ ทุกส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้สิ่งที่พอใจนะอยากจะได้สิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้มันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์มีสิ่งที่พอใจแล้วนะพัดผ้ากันไปนะก็กลายเป็นทุกข์นะปารนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ส่วนใหญ่คนก็เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นนะแต่ถ้าได้อย่างสิ่งที่ต้องการก็เป็นสุขนะ สิ่งที่ดีอยู่แล้วอยู่ไว้นานก็เป็นสุขนะแต่ถ้ามองไปจริงนะสิ่งต่างๆนะมันเที่ยงไหมมันจะอยู่กับเราได้ตลอดไหมสามีภรรยาแฟนเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะมันอยู่กับเราได้จริงไหมมีใครรักษามันได้ตลอดไหมไม่มีนะสังเกตดูดีก็ได้นะแต่บางทีความจริงตนี้เราก็เห็นนะ เราไม่ไมค่อยตะหนักใช่ไหมเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นคนมีอานาจแล้วก็หมดอำนาจนะเห็นคนมีเงินแล้วก็หมดเงินหรือบางทีเห็นคนมีเงินแม้เขารวยขึ้นก็เห็นหน้าตาเขาก็ไม่ได้มีความสุขมากกว่าเราไม่มีความสุขมากกว่าคนธรรมดาเท่าไหร่ที่จริงเราก็เห็นนะแต่เราก็หลงเราก็ยังมีความหลงคิดว่ามัน สิ่ต่างๆนั้นมันเป็นเรื่องของความสุขปัจจัยความสุขแต่ถ้าเราเห็นบ่อยๆย้ำบ่อยๆเตือนบ่อยๆนะจิตใจมันจะเกิดความเชื่อบ่อยๆนะเกิดความเชื่อว่าอ้อเนี่แหละจริงๆสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นแค่มายาเท่านั้นเป็นมายาที่เราโดนโดนกิเลสโดนอวิชชาโดนความไม่รู้เขาหลอกมาปั่นหัวเราตลอดเวลาว่าให้เราเชื่อแบบนั้นให้เราคิดแบบนั้นให้เราฝังใจอ่อ แบบนั้นแต่เมื่อไรที่เรากลับมามีสตินะรู้ทันตัวเองบ่อยๆจิตใจตั้งมั่นรู้อารมณ์ในปัจจุบันนะค่อยๆสังเกตความเป็นไปของกายและใจในอารมณ์ปัจจุบันบ่อยๆนะเราจะตระหนักเลยว่าความจริงตรงนั้นมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่แต่พอเรากลับมาศึกษามาดูมารู้มาเห็นเขาบ่อยๆนะจิตใจมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลง ความคิดอ่ะมันจะเปลี่ยนนะความคิดในทางที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นนะความเชื่อในทางที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นนะที่จริงความคิดความเชื่อนะมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปการกระทำคำพูดมันก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะพูดก็ถูกทาก็ถูกคิดก็ถูกตื่ต่างๆเนนะสามารถเป็นไปได้แต่มันก็ต้องอยู่ที่การฝึกหัดจิตใจของเราเนี่ยแหละนะ ถ้าเราไม่ฝึกหัดจิตใจนะมันจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่นะมืดมาแล้วก็มืดไปรู้จักไหมบุคคลมันมีสี่จำพวกจําพวกที่หนึ่งนะมืดมาก็มืดไปมาแบบผู้ไม่รู้ก็ไปแบบผู้ไม่รู้นะมาแบบผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะก็ไปแบบผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมพวกนี้นะมาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะมามากินข้าวสุก มาใช้ทรัพยากรของโลกแล้วก็ตายไปเฉยๆไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรหรืออาจจะทาก็นิดๆหน่อยๆไปนะแต่ไม่เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาจิตใจตัเองให้สูงขึ้นไปบุคคลประเภทที่สองนะมืดมาแต่สว่างไปมาแบบไม่รู้มาแบบหลงนะแต่สามารถกลับไปอย่างผู้ที่สว่างได้กลับไปตรงไหนนะก็คือว่า ตอนโตขึ้นมาอาจจะไม่ค่อยรู้อาจจะหลงไปตามโลกนั่นแหละแต่พอได้มาศึกษาธรรมะโอ้เห็นเลยว่าจุดหมายชีวิตมันควรจะเป็นอย่างไรเปลี่ยนการใช้ชีวิตนในทางแสวงหาวัตถุสิ่งของมากมายกลายเป็นการแสวงหาอความสุขทางจิตวิญญาณมากขึ้นนะหรือว่าแสวงหาความไม่ทุกข์นะแล้วก็พยายามทําสิ่งต่างๆวันนั้นมากขึ้นด้วยเนาะ บุคคลประเภทนี้เป็นคนที่น่ า, สนาเสนอเสิร์ฟนะมาแบบมืดแต่ไปแบบสว่างนะมาแบบผู้หลงแต่ไปแบบผู้รู้นะนเราสามารถฝึกหัดได้นะนบางคนอาจจะมาสุกโตแบบผู้หลงนะกลับไปสุกโตให้เป็นผู้รู้นะเอเพราะสุกโต t นี่แปลว่าผู้ไปแล้วด้วยดีนะมาแล้วจะดีหรือเปล่าไม่รู้นะตนแต่ถ้าเราฝึกอยู่ฝึกหัดด้วยดีนะก็จะสามารถไปแบบ สุกโตได้นะไปแบบผู้ไปแล้วด้วยดีนะไปด้วยดีก็คือไปแบบผู้ที่มีความสว่างสวัยทางปัญญาเนี่ยแหละนะเราจะไปได้ดีได้นะบุคคลประเภทที่สามนะมาสว่างไปมืดนะตอนมานี่ก็มีเรียกว่าคล้ายๆถ้าตอนเป็นเด็กก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่นิสัยเรียบร้อยนะ อาจจะไม่ใชเรียบร้อยแบบภาพพับไว้นะแต่ก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ดื้อไม่ว่านอนสอนยากแบบนี้เนาะแล้วก็แต่บตพอโตขึ้นมาก็ไปหลงโรคนะไปหลงกับโรคไปหลงอบาเยบมุกบางคนก็ไปหลงกับชื่อเสียงกิจยศอานาจต่างๆนะก็ไปมาสว่างแต่ไปมืดนะบุคคลประเภทนี้นะพูะเจ้าท่านตำหนิมากที่สุดเลยพื้นฐานดีนะ ได้รับการศึกษาที่ดีพ่อแม่ตระกูลดีนะตอนเด็กเด็กก็ดีแล้วแต่ตอนโตขึ้นมาก็หลงก็ได้นะพวกเราก็ต้องระวังนะบางคนอาจจะมาแบบนั้นก็ได้นะแต่ไปหลงอะไรหลงอำนาจหลงชื่อเสียงกิจยศหลงความสุขภายนอกนะบางคนอาจจะหลงในความสุขภายในที่เกิดจากสมาธิก็ได้นะเป็นการหลงเหมือนกันนะตอนแรกก็ตั้งหลักไว้ดีแล้วแต่ไปหลงทิศผิดทาง กับความสุขจอมปลอมความสุขชั่วคราวนะก็เป็นการดวงทิศติดอยู่ในภพภูมิตรองนั้นก็มีนะแม้แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบแต่เป็นความสงบที่เกิดจากสมาธิบางทีหลายๆครั้งพระเจ้าก็ตําหนิเลยนะอย่างตอนพระพุทธเจ้าท่านตัสรู้นะแล้วก็บําเพ็ญทุกขะะบําเพ็ญเรียกว่าเสวยวิมุติสุขนะอยู่สี่สิบเก้าวันเจ็ดสัปดาห์ พอท่านออกจากการเสวยวิมุตติสุขนั้นท่านก็คิดเลยว่าโอ้จะไปสอนใครดีสองคนแรกที่พระเจ้าคิดถึงคืออาราระดาบดกุทกกระดาบดก็คือคนที่เคยสอนสมาธิให้กับพระพุทธเจ้าพอระลึกได้ว่าท่านทั้งสองนี่ตายไปแล้วนะลรู้ด้วยญานนะท่านทั้งสองนั้นตายไปแล้วพระเจ้าบอกว่าชิบหายแล้วนะชิบหายนะ เป็นคําอุทานเพิ่งอาจจะดูถ้าสมัยนี้ก็เหมือนไม่ค่อยสุภาพเนาะแต่ก็คือว่ามันชิปหายจริงๆนะชิบหายในทางธรรมเพราะว่าอะไรท่านทั้งสองตายไปในสมาบัตินะเป็นอรุปรพมทั้งคู่ต้องไปอยู่ในรพมโลกนะในอรุปรพมไม่รู้ชั่วนาตาปีสักเท่าไหร่นะก็จะกลับมาผุดมาเกิดอีกทีหนึ่งเนี่ยเพราะพระเจ้าตรัสรู้ไม่รู้กี่พระองค์แล้วโลกดับไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะน่ะ ถึงจะกลับมาเกิดอีกทีเพราะเราเคยอ่านหนังสือเรื่องการมณิทวาติถีไหมในตอนภาคสวรรค์นะอ่าที่การมณิทวาติถีไปเกิดเป็นเป็นพรมใช่ไหมเกิดเป็นเกิดเป็นพรมนี่พรมธรรมดาเนี่ยเกิดดับนะก็อย่างนั้นแล้วนะถ้าเป็นเท้ามหาพรมนี่เห็นคนอื่นเกิดดับตัวเองนี่ตอนจะดับนี่ดิ้นดนมากมายเลยนะเพราะมันเชื่ออะไรมันเชื่อว่าชีวิตตัวเองมันอมตะ ไม่เกิดไม่ดับเพราะว่าเห็นคนอื่นเกิดดับมากมายแต่ตัวเองไม่เคยดับทีอันนี้ก็เหมือนกันจิตที่เป็นสมาธิจิตที่แช่อยู่ในอารมณ์อย่างเดียวไม่ยอมรับรู้อย่างอื่นนะบางทีมันเห็นอย่างอื่นเกิดดับมันเข้าใจว่าอย่างอื่นเกิดดับแต่มันไม่เข้าใจว่าตัวเองก็เกิดดับเช่นเดียวกันบางคนนะมีสติมากมีสมาธิมากมีตัวผู้รู้ตั้งมั่นมาก มันเห็นอย่างอื่นเกิดดับเห็นกายเห็นจิตส่วนอื่นที่เป็นสังขารมันเกิดมันดับแต่ไม่เห็นจิตผู้รู้ตัวเองมาเกิดดับเพราะว่าอะไรมันตั้งตัวผู้รู้ไว้มันประคองตัวผู้รู้ไว้มันไม่ย้อนกลับมาดูตัวผู้รู้ตัวเองมันเห็นแต่อย่างอื่นเกิดดับแต่ไม่เห็นตัวเองเกิดดับเนี่ยก็ไม่ถูกนะอันนี้ยก็เป็นทางปฏิบัตินะนะไม่ใช่ว่าเห็นแต่ความเกิดดับภายนอก ความเกิดดับภายในใจตัวเองก็ต้องเห็นเช่นเดียวกันหรือความเกิดดับของตัวรู้ก็ต้องเห็นเช่นเดียวกันอันนี้นะนะพูดไปไกลหน่อยเพราะว่าบางทีทการมาแบบดีมาแบบสว่างแต่ไปแบบมืดนะมันก็ไปแบบความมืดได้หลายอย่างมืดแบบร้งไปเลยก็มีแต่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าที่จริงมันมีความมือดอีกแบบหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้คือความมืดสีขาวเหมือนอย่างพวกเรา ไปเห็นภูเขาทะเลหมอกแบบนี้ที่จริงอากาศมันสว่างแล้วนะแต่หมอกมันก็ยังเป็นความมืดเยูะนะใช่ไหมเป็นความมืดสีขาวอันนั้นความมืดมันมีหลายแบบนะมืดแบบดำไปเลยหลงไปเลยนะแต่มืดแบบสีขาวนี่ก็เป็นมืดในความหลงในทางที่ดีนะก็ต้องระวังไว้ก็ต้องเตือนนักปฏิบัติธรรมไว้นะแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะผู้ที่มาแบบสว่าง ก็ไปแบบสว่างนะมาดีแล้วก็ไปดีมาเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมหลงไปนิดเดียหน่อยไปโตขึ้นมาก็พัฒนาจิตใจตัวเองให้เรียกว่าตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาจะเดินพ่อพูนในศีลสมาธิปัญญาจนกทั่งเข้าถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นได้อันนี้ผู้ที่เรียกว่ามาดีแล้วก็ไปดีนะให้พวกเราเลือกเอาเอนะเราจะเป็นแบบคนประเภทไหน แต่มาว่าในตอนต้นที่เรามาเนี่ยเราเลือกไม่ได้หรือมันเป็นไปแล้วมันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วอาจจะมาอย่างมืดหรือมาอย่างสว่างแต่สิ่งที่เราเลือกได้นะเราจะไปอย่างมืดหรือไปอย่างสว่างไปแบบไหนโยมนะนะดับปากกับพระแล้วนะจะไปแบบผู้ที่สว่างนะไปแบบผู้ที่เป็นสุคโตนะใช่ไหมไปอยู่ที่ไหน ก็ขอให้สว่างสวัยที่จิตใจนะอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านอยู่อยู่ที่ไหนขอให้เป็นผู้ที่สว่างสว่างจากอะไรสว่างจากความไม่รู้สว่างจากความหลงสว่างจากกิเลสนะก็คือเป็นผู้ที่มีธรรมะที่จริงการปฏิบัติธรรมเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งเพราะว่าอะไรการปฏิบัติธรรมคือการกลับมาศึกษากายและใจของเราเนี่แหละ กายและใจเนี่ยมันไปกับเราทุกโหนทุกแห่งนะไม่ใช่ว่ามาอยู่ที่วัดแล้วกายและใจจะไม่มามันก็มาแล้วใจที่มันเออกายที่มันมีโรคภัยนะไม่ใช่ว่าอยู่ที่วัดมันจะปลอดภัยใช่ไหมหรือกายที่มีโรคภัยไม่ใช่ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วมันจะไม่มีโรคภัยก็ไม่ใช่ใช่ไหมจิตใจก็เช่นเดียวกันนะไม่ใช่พอเข้าวัดแล้วนะกิเลสมันจะกวนในวัดนะไม่ใช่นะอ่า พระชีคนอยู่วัดนานๆกิเลสมันก็ตามมาเหมือนกันนะโยมนะไม่ใช่ว่าพออยู่ที่วัดจะเจอความสงบกิเลสจะหายไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่แบบนั้นนะะทังวัดไม่ใช่มีรังสีรัศมีในการแก้ไขกิเลสแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันมีกิเลสติดตัวติดใจไปตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรามีธรรมะเป็นธรรมคู่ปรับกิเลสต่างๆเหล่านั้นได้นะกิเลสมันจะค่อยๆลดค่อยๆหายค่อยๆคลายไป จนทั้งมันหมดไปได้เนี่ยเราต้องเอาธรรมะมาปรับนะธรรมะตัวที่สําคัญอย่างมากตัวหนึ่งก็คือการมีสติถ้าเรามีสตินะสติจะทําให้เรากลับมารู้ที่ปัจจุบันรู้ที่กายรู้ที่ใจนะรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นมันจะเกิดความเข้าใจเห็นเลยว่ากายและใจนี่ไม่ใช่ตัวเราแต่ก่อนเลยนะ จะยึดมั่นถือมั่นว่ากายเนี้ยใจนี้เป็นชั้นเป็นเรานะยึดมั่นถือมั่นว่ากายนักกายคนอื่นเป็นเขานะเห็นคนอื่นเป็นเขาเห็นมีเรามีเขามีตัวมีตนเป็นสัตว์บุคคลทั้งนั้นแต่ถ้าเรากลับมาศึกษาจริงๆถ้าจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ขันห้านะเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยมารวมกันมาประกอบกันเท่านั้นไม่มีเราไม่มีเขา มีแต่การประกอบกันของเหตุและปัจจัยนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเมื่อเราเห็นตังๆต่างเหล่านี้นะความยึดมั่นในความคิดความเห็นในรูปของเราเองก็ดีของคนอื่นก็ดีมันจะไม่มีเพราะว่าอะไรมันเห็นว่าเป็นเพียงแค่ธาตุเห็นเพียงแค่ขันเห็นเพียงแค่เผตและปัจจัยเท่านั้นมาประกอบกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามใจของเราเลยนะ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่อยู่มันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของใจเราได้นะมันจะเห็นหนึ่งต่าง น, งนะมันจะเกิดปัญญาการยอมรับความจริงมันก็เห็นทุกอย่างเนี่แหละนะเป็นแบบนี้เห็นทุกอย่างเป็นความไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงอย่างที่บอกนะแม้แต่เท้ามหาพรหมก็ไม่เที่ยงก็ต้องมีเกิดแล้วก็ดับแต่เพียงแต่ว่าการเกิดดับของแต่ละอย่างบางทีมันก็นานแตกต่างกันไปการ เกิดดับที่เร็วที่เราสามารถเห็นได้ชัดๆจิตใจของเรานะเห็นไหมมันมีแต่เกิดแล้วก็ดับนะในแต่ละวันนะจิตใจมันคิดกี่เรื่องกี่ครั้งเรื่องสุขเรื่องทุกข์หรือเรื่องไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งนั้นมีเรื่องไหนมันอยู่นานไหมก็ไม่นานเกินไปนะมันก็ดืมไปมันก็ดับไปนะพระโสดาบันท่านก็เห็นตรงนี้แหละนะ ท่านเห็นความจริงเบื้องต้นที่ว่านสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงนะเมื่อมีการเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มีการดับไปเป็นธรรมดาท่านเห็นถึงความไม่เที่ยงไม่เห็นมีอะไรเที่ยงเลยท่านเข้าใจความไม่เที่ยงชัดเจนนะกลายเป็นพระโสดาบันได้เห็นความไม่เที่ยงของรูปเห็นความไม่เที่ยงของนามเห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ของทั้งรูปแล้วก็นามนี้ได้นะทำให้ทให้เราเข้าไปเข้าใจความจริงกลายเป็นพระโสดาบันนะเข้าถึงโลกุตระได้นะต่อมาก็มันก็พัฒนาปัญญาให้มันเห็นเ่งต่างรลายมันชัดเจนมากขึ้นเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นโทษของสิ่งทั้งหลายในรูปในนามนี้นะมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นในความนะในความหลงในรูป รูปปราคะก็ดีนะหรือว่าการหลงในการปฏิฆะสิ่งต่างๆทั้งหลายปฏิทัก์ก็คือความไม่พอใจความโกรธนะมันจะค่อยละได้เมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยของรูปแล้วก็นามนี้ชัดเจนขึ้นสุดท้ายนะมันจะมีปัญญาเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดให้ฟังตอนตอนต้นก็คือว่าเข้าใจความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับไม่ได้นะ เขาเป็นของเขาแบบนั้นของเขาเองตามเหตุตามปัจจัยนะคือคือเห็นอนัตตาเห็นอาการที่บังคับไม่ได้นะของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัญญาตัวนี้มันจะทำให้เราอยู่กับชีวิตนี้ได้นะอย่างผู้ที่ไม่ทุกมันแปลกนะผู้ที่ศึกษาธรรมะนี่เห็นทุกนะแต่ไม่ทุกแต่เพราะผู้ที่ึกไม่ศึกษาธรรมะนะไม่เห็นทุกชีวิตมีแต่ทุก แต่ผู้ที่ศึกษาธรรมะนี่ถ้าเราศึกษาลงไปที่ตัวทุกข์กับค้นพบว่าในตัวทุกขนะ์น่ะไม่มีตัวไม่ทุกข์อยู่ในสภาวะที่มั น, มนเรียกว่ามันทุกข์ของกายของใจแต่ ม, มันมีสภาวะที่ทไม่ทุกข์อยู่ในนั้นอยู่ที่จริงอตมาสก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนเคยสัมผัสขณะที่เรารู้ทันความคิดรู้ทันความหลงที่เกิดขึ้นในจิตใจนะ ตอนนั้นความคิดความหลงมันวางลงไปนะตอนนั้นแหละสภาวะที่ไม่ทุกข์มันเกิดขึ้นนะความดับทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วหรือแม้แต่สภาวะที่เรารู้กายโดยไม่จ้องโดยไม่ได้เผลอไปจิตใจมันก็ไม่ทุกข์อะไรนะจิตใจมันก็ตั้งมั่นในการรู้กายเฉยๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ส่งออกไปที่ไหนนะสภาวะไม่ทุกข์มันปรากฏอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วณให้พวกเราสัมผัสสภาวะที่ไม่ทุกข์ ในขณะที่เรารู้สึกกายหรือรู้สึกใจบ่อยๆเนี่ยเราจะเกิดความสุขนะความสุขจากการรู้ความสุขจากการส ง, งบความสุขจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นความสุขในการที่ปล่อยวางอารมณ์การปรุงแต่งได้เนี่ยมันเป็นความสุขอย่างยิ่งนะเป็นความสุขที่เกิดจากความไม่ทุกเนาะอันเนี้ยการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะอยู่ในวัดก็ดีอยู่โรงเรียนก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดี อยู่ที่ไหนก็ดีแต่คนพบความสุขได้ง่ายเป็นความสุขที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้เนื้อรู้ตัวเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้ทันตัวเองแล้วก็ป่วางความยึดมั่นถือมั่นตัวเองได้เนี่ยเป็นการเดินทางนะไปสู่ชีวิตที่สว่างสวัยนะไปสู่ชีวิตที่มีปัญญาไปสู่ชีวิตที่มีธรรมะแต่ที่จริงนะแต่ที่จริงที่จริงแล้ว การมากันไปก็เป็นการสมมุตินะชีวิตที่มีการมาแล้วก็การไปก็เป็นสมมุติที่เรียกไว้แต่เพื่อให้เข้าใจนะเพราะเราเคยได้ยินอิคิวซังเนาะคิดว่าหลายๆคนอาจจะรุ่นไม่เพียรไม่ได้ยินออกมาอิคิซังนะตอนเด็กๆเพราะเราก็อาจจะเคยได้ดูการ์ตูนอิคิซังแต่จริงอิคิซังเนี่ยเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประเทศญี่ปุ่นนะ ท่านบวชตั้งแต่เป็นสามเณรโตขึ้นมาเขาก็เรียกว่าพระอิคิวนะพระอิคิวท่านอิคิวเนี่ยเป็นพระที่มีปัญญาปราชญเปลืองตั้งแต่เด็กนะโตขึ้นมาท่านก็นมีเพื่อนท่าธรรมิกคนหนึ่งนะเพื่อนท่านนะเพื่อนธรรมิก ก, กาลังจะเรียกว่ามรณภาพท่านก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนท่านคล้ายๆจะไปไปดูดูใจกันครั้งสุดท้ายท่านก็ไปถามเพื่อนถามเพื่อนท่านว่า จะให้ผมช่วยอะไรไหมนะเพื่อนท่านตอบว่าผมมาเองได้ผมก็ไปเองได้นะท่านก็ตอบแบบเรียกว่าอาจพานแก้วกล้ามากนะแต่ท่านอีกคิอสังพอได้ฟังแบบนี้ท่านรู้แล้วว่าเพื่อนท่านนี่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่ายังยึดมั่นในการมาแล้วก็การไปเชื่อมั่นว่าตัวเองจะไปดีได้นะท่านอีกคืสั่งพอได้ยินเพื่อนตอบแบบนั้นนะถ้าบอกว่า ผมขอโอกาสได้ไหมผมขอโอกาสบอกทางที่ไม่มีการมาและไม่มีการไปเมื่อเพื่อนของท่านได้ฟังนั้นนะบรรลุธรรมนะทันทีตอนแรกยังเห็นว่ามีการมาแล้วก็การไปมีการเกิดแล้วก็การดับแต่สุดท้ายพอท่านอิสคสังท่านชี้เห็นว่าทางที่ไม่มาทางที่ไม่มาแล้วก็ไม่ไปก็มีทางที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับก็มี ก็คือสภาวะนิพพานมันมีอยู่นะพอจิตใจเห็นสภาวะนิพพานนะมันก็ไม่มีการมาไม่มีการไปเนาะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนาะอาจจะมาแบบไหนไปแบบไหนก็แล้วแต่ให้สุดท้ายนะให้ถึงที่ที่ไม่มีการมาไม่มีการไปเนาะไม่มีการเกิดไม่มีการดับเข้าถึงพันนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอิน